การศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติบรรยายเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศกราช2545ก็ขออนุโมทนาท่านผู้บริหารและก็ครูอาจารย์ทุกท่านงานที่ท่านทำก็ทราบกันดีงานการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ เราก็พูดกันนักว่าให้การศึกษาแก่เด็กและเด็กเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเมื่อเป็นครูอาจารย์ก็คือเป็นผู้สร้างอนาคตของชาตินั่นเองต่านี้เวลานี้ปัญหาสังคมมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวนชนทราบกันดีโดยไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากและปัญหาเหล่านี้ สืบไปสืบมาก็เนื่องจากผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เองก็โดนเหตุปัจจัยเดียวกับเด็กเหมือนกันเหตุปัจจัยที่มาทั้งจากภายในและภายนอกโดยเฉพาะเวลานี้ก็ค่านิยมสังคมก็ทำให้จิตใจของเรานั้นมันหันเหไป หาสิ่งภายนอกก็รับอิทธิพลง่ายเมื่อไม่มีหลักของตัวเองมันก็ไหลถูกกระแสพัดพาไปทีป น, นี้ก็ทำไงจะตั้งหลักขึ้นมาได้การที่จะตั้งหลักขึ้นมาได้ก็ต้องมีหลักที น, นี้ตอนแรกเราก็หาคนที่เป็นหลัก เราก็หวังให้ท่านผู้บริหารครูอาจารย์เป็นหลักนี่ครูอาจารย์ท่านผู้บริหารจะเป็นหลักตัวเองก็ต้องมีหลักถ้าตัวเองไม่มีหลักก็ไปเป็นหลักให้เขาไม่ได้ตัวเองก็จะพลอยถูกกระแสะพัดพาไปด้วยตั้งตัวไม่อยู่เวลานี้ก็เป็นกันมากตั้งตัวไม่อยู่ถูกกระแสะพัดพาไป น, นในสภาพสังคมภาวะการปัจจุบันนี้ ต้องการความเข้มแข็งและก็ต้องการความรู้ปัญญาด้วยแต่ก็รวมอยู่ในคำว่าเข้มแข็งนั่นแหละเพราะความเข้มแข็งมีหลายอย่างเข้มแข็งทั้งจิตใจอันนี้เรามักจะพูดในแง่เข้มแข็งทั้งจิตใจแต่ว่ามันมีเข้มแข็งที่สาคัญกว่านั้นคือเข้มแข็งทางปัญญาเราต้องการมากคือความเข้มแข็งทางปัญญา คือความรู้เข้าใจมั่นในหลักชัดเจนเมื่อมีความรู้มีปัญญาชัดเจนแล้วความมั่นใจก็เกิดขึ้นแล้วความเข้มแข็งทางใจก็มาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปัญญามันไม่เข้มแข็งมันไม่รู้อะไรจริงเนี่ยจิตใจมันก็เข้มแข็งไม่ได้มันเข้มแข็งไม่จริงนมันก็สักแต่ว่าฝืนๆไปอย่างนั้นเองเนี่ย หรือเป็นคนกลายเป็นอะไรดึงดันไปนีถ้าเข้มแข็งแท้มันไม่ต้องดึงดันมันมีปัญญานั้นจุดสําคัญที่สุดต้องมีความเข้มแข็งแต่ปัญญาเวลานี้เขาบอกว่าโลกเป็นโลกแห่งข่าวสารข้อมูลเป็นโลการพิวัติไอที IT นี่มันครอบงําเรื่องไอทีนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวสารข้อมูลก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าเกี่ยวกับปัญญาเนี่ะดังนั้นก็ความเข้มแข็งทางปัญญาก็ยิ่งจำเป็นในยุคนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ว่าการมีความเจริญทางข่าวสารข้อมูลไม่ได้หมายความว่าจะมีความเจริญทางปัญญาไม่แน่นอนอาจจะทำให้เกิดความรุ่มหลงมากยิ่งขึ้นก็ได้ คนที่รับข่าวสารข้อมูลไม่เป็นจัดการไม่เป็นนะคิดไม่เป็นใช้ข้อมูลไม่เป็นข้อมูลข่าวสารก็ไม่ทำให้เกิดปัญญากลับเป็นเหยื่อเขาเขาใช้ข่าวสารข้อมูลนั้นเป็นเครื่องล่อแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาเป็นเหยื่อเขาได้ประการต่างๆเพราะนั้นมันจะต้องมีการ ฝึกการพัฒนาปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่ามีข่าวสารข้อมูลขึ้นมาแล้วปัญญามันจะเกิดนีแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นได้เลยว่าข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดโมหะมากกว่าคือแทนที่จะเกิดปัญญามันก็เกิดความรุ่มหลงโมเมเอาเมื่อรุ่มหลงโมมเมาก็นําไปสู่ความประมาทความประมาทนั้นเมื่อมองในแง่ส่วนรวมก็คือความเสื่อมของสังคม ดัะนั้นรวมแล้วก็คือว่าความเข้มแข็งที่แท้ต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาและจะเอาชนะกันในโลกปัจจุบันที่บอกว่าเป็นโลกแห่งการแข่งขันก็ต้องเป็นชายชนะทางปัญญาเงินทองมันไม่ได้เกิดมาได้ง่ายๆคนไม่มีปัญญามันสร้างทรัพย์ไม่ได้ ถึงมีมันก็สะมันก็รักษาไม่อยู่มันก็เป็นหลักธรรมดาแต่ไหนแต่ไรคนไม่มีปัญญาทรัพ์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นทรัพ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีต่หมดไปแต่คนมีปัญญาทรัพ์ที่ยังไม่เกิดก็ทาให้เกิดขึ้นได้ทรัพที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ได้และทำให้เพิ่มผนยิ่งขึ้นดังนั้นเวลานี้เราเน้นเรื่องเศรษฐกิจกันว่า แต่ว่าเศษรษฐกิจนั้นต้องอาศัยปัญญาเราจะต้องพัฒนาคนของเราให้เข้มแข็งทางปัญญาเวลานี้วัฒนธรรมทางปัญญาในสังคมไทยแทบไม่มีเราก็บ่นกันนะว่ามีแต่วัฒนธรรมบริโภคบริโภคมันก็เป็นเรื่องเสพเรื่องเสพมันก็เรื่องความรู้สึกทีนี้เรื่องปัญญามันเรื่องความรู้ ตั้งแต่มองง่ายๆที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้ทําหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือทําหน้าที่รู้สึกกับทาหน้าที่รู้พอเห็นอะไรก็สบายตาไม่สบายตาสวยงามหรือไม่แล้วก็ไปสู่ความชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่าเป็นด้านความรู้สึกซึ่งจะต้องมีอีกด้านหนึ่งก็คือได้ความรู้ พอตาดูอะไรก็เห็นเขียวขาวดำแดงใหญ่กว้างสี่เหลี่ยมแหลมกลมอะไรต่างๆเป็นใบไม้เป็นต้นไม้เป็นทองฟ้าเป็นอะไรเดี๋ยวพอมองว่ามันเป็นอะไรเออมันเป็นไมาอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรนมันไปไงมาไงมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมีคุณมีโทษอย่างไรเนี่ยเป็นด้านรู้นั้นแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ก็เป็นจุดเริ่มของการศึกษาและการศึกษาที่แท้ก็อยู่ที่นี่ใช้ตาดูหูฟังเป็นการศึกษามันก็เริ่มนจะใช้แย์เสพความรู้สึกการศึกษามันก็ไม่เดินหน้าเพียงใช้เพื่อรู้การศึกษาก็เริ่มทันทีเวลานี้สังคมของเราเป็นนักบริโภคไม่เป็นนักผลิตเมื่อเป็นนักบริโภคก็หาแต่เสพเมื่อเสพก็มุ่งไปที่ความรู้สึก ก็ติดอยู่แค่ชามชอบใจไม่ชอบใจก็จบก็วนเวียนอยู่แค่นี้สุขทุกข์ก็ขึ้นต่อเรื่องของความรู้สึกอันนี้ถ้าหากว่าเด็กเพียงรู้จักใช้ตาดูหูฟังเพื่อรู้มันก็เริ่มกระบวนการพัฒนาบัญญาทันทีเป็นเรื่องสำคัญว่าเวลานิการศึกษาของเราไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ตาดูหูฟังก็คือเรื่องอิสี์ ใจตาดูฟังเป็นแค่ดูทีวีดูเป็นดูเพื่ออะไร <Yeah. S 1> ถามแค่ น, นี้ให้ดูที่แท้นี่มันไม่ใช่แค่เสพความรู้สึกสบายเพินเนแต่มันเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือต้องการรู้แล้วเราก็พัฒนาความต้องการรู้ขึ้นมาไม่ใช่พัฒนาเพียงตความต้องการเสพแต่ความต้องการรู้มันเกิดขึ้น บวนการหาความรู้แสวงความรู้มันก็เกิดก็นั่นก็คือการพัฒนาปัญญาอันี้ความต้องการรู้ที่เราก็เรียกว่าความใฝ่รู้มันก็ไม่มีอีกเนี่อนี้มนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการนีพุทธศาสนาก็แยกไว้ชัดว่าความต้องการมีสองแบบความต้องการที่เป็นกุศลกับอกุศลความต้องการที่เป็นกุศลก็คือ ต้องการรู้ต้องการทำนะต้องการที่เป็นอกุศลคือต้องการเสพความรู้สึกอย่างเดียวเรียกว่าตันหาถ้าต้องการทำสิ่งต่างๆที่ตัวเกี่ยวข้องให้ดีเรียกว่าฉันทะนี่คือจุดแยกนะพอต้องการทำมันก็เริ่มศึกษาทันทีคนเราจะทำอะไรมันต้องมีความมุ่งหมายทำให้เป็นยังไงก็คือมันยังไม่ดีทาให้มันดี จะทําให้มันดีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงจะทําไงมันก็ถ้ายัางไม่รู้ก็หาความรู้ในการจะทําให้สําเร็จมันเรียกร้องการหาความรู้กระบวนการหาความรู้ก็เกิดการพัฒนาปัญญาก็มาเพราะนั้นทางพุทธศาสนาก็บอกว่าให้ตัวความต้องการเนี่ยแต่ว่าเป็นความต้องการที่เป็นกุศลที่ถูกต้องเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของการศึกษาเนี่ย ถ้าตัวนี้ไม่มาอย่าหวังเลยว่าจะเดินนะถ้าความต้องการรู้มันมาแล้วเนี่ยเด็กมันเดินไปเองเมื่อเหตุปัจจัยมีแล้วผลมาเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปเรียกร้องท่านบอกว่าแม่ไก่อยากให้ลูกออกจากไข่ถ้าไปยืนอยู่หน้าเล้าไก่ ร้องขออ้อนวอนให้ลูกไก่ออกมาก็บอกว่าไข่เน่าเปล่าเพราะว่าแต่แม่ไก่ไม่ต้องร้องไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องอ้อนวอนขึ้นกอกไข่ถึงเวลาไข่ออกมาเป็นลูกไก่นั้นทำเหตุบัจจัยและผลก็เกิดขึ้นในเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาก็คือกระบวนการตามธรรมชาติเราต้องการให้เด็กเรียนรู้เราก็ต้องการสร้างความต้องการรู้ เมื่อเราต้องการให้เด็กเป็นนักบริโภคเราก็ต้องสร้างความต้องการบริโภคซึ่งเหมือนง่ายมีอยู่แล้วก็คือการสนองความต้องการในด้านความรู้สึกเมื่อต้องการความรู้ก็หาความรู้และเมื่อความสุขก็ขึ้นต่อความต้องการเมื่อต้องการเสพได้เสพสนองความต้องการเสพมันก็สุขเพราะเสพแต่ถ้าเด็กเกิดความต้องการรู้ ได้นสนองความต้องการรู้หาความรู้ได้มันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนักปรัชญางไงสไตล์แกไม่มาเสียระบวนเกการหาความสุขจากการเสพเพราะมันอยากรู้มันอยากรู้ธรรมชาติมันเป็นยังไงเบื้องหลังสิ่งนี้มันเป็นยังไงมันเป็นมากันยังไงแกไม่ต้องกินต้องนอนหรอนะหาความหาความรู้ต้องการรู้ความจริงของธรรมชาติและความสุขมาเองเดี๋ยวนี้เรามีไหมคนอย่างนี้ในสังคมไทยเนี่ย ฉนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาธรรมชาติการศึกษาก็อยู่แค่นี้สร้างความต้องการขึ้นมาเมื่อต้องการรู้สนองความต้องการรู้ก็มีความสุขจากการเรียนรู้นีถ้าคนที่หาความสุขจากการเสพมันได้ความสุขจากสิ่งที่ชอบใจมีความรู้สึกเป็นสุขถ้าเจอสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคนต้องการรู้นี่สิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจมันได้เรียนรู้ทั้งนั้นนี เพราะฉะนั้นมันจะข้ามพ้นขั้นตอนของความรู้สึกขั้นตอนความชอบใจไม่ชอบใจเพราะว่าสิ่งชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ฉันมีความสุขจากการเรียนรู้ฉันต้องการเรียนรู้นี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ชอบใจอย่างนี้ก็ฉันก็ได้เรียนรู้ฉันก็มีความสุขในคนที่สร้างความใฝ่รู้หรือความต้องการต่างๆการศึกษาขึ้นมาได้เนี่ยมันจะมีความสุขแม้แต่จากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่ แล้วต่อไปมารู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันได้มักจะได้เรียนรู้มากกว่าเช่นสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้โอ้เราได้ความรู้เยอะแยะนี่พราะนั้นมันกลายไปว่าชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจนีแล้วมันมีความสุขจากสิ่งไม่ชอบใจอันนี้เรื่องการศึกษามันไปอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาว่าวันนี้เราไม่ได้บอกแล้วว่าไม่ได้มาคุยกันเรื่องเหล่านี้นีก็เอาเป็นเพียงว่า เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้บริหารครูอาจารย์เอาเรื่องง่ายๆที่อยากจะฝากไว้ว่าตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องพระพุทธศาสนาการสอนจริยธรรมอะไรต่างๆแหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นเพียงถ้อยคำความจริงที่แท้มาคืออะไรพุทธศาสนาธรรมะหลักคาสอนจริยธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าคุณไม่จับจุดให้ถูกมันทำไม่ได้ผลหรอกธรรมะหรือพระพุทธศาสนาที่แท้คืออะไรก็คือธรรมดาธรรมชาติความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเราก็ฟังพระสวดก็อยู่เสมอพระสวดให้ฟังเวลางานโดยเฉพาะงานศพเนี่ยก็จะต้องได้ยินอุปาทาวาภิกเวตถากตานังอนุปาทาวาวตถากตานัง ตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดความจริงมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ตถาคตมาค้นพบความจริงนี้แล้วก็นำมบาบอกกล่าวนี่ความจริงเนี่ยมันมีเรื่องสองขั้นที่เกี่ยวกับมนุษย์ 1. ความจริงตามธรรมดากธรรมชาติ 2. ความจริงตามธรรมดากธรรมชาติทิมเป็นอย่างนั้นมันมาสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรสัมพันธ์กับมนุษย์ก็คือว่าถ้ามนุษย์ต้องการจะทําให้เกิดผลหรือต้องการทําให้ชีวิตของตัวเองเป็นอยู่ดีๆสังคมเปอยู่ดี ก็ต้องทําให้ต้องทําให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติเลยมันเรียกร้องมนุษย์ว่าต้องรู้เธอต้องรู้และทําให้ถูกมันก็เลยเกิดเป็นธรรมะสองขั้นธรรมะขั้นที่หนึ่งความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาสองก็คือธรรมะคือข้อที่มนุษย์จะต้องทําให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาตินั้นเพื่อให้ผลดีเกิดขึ้นกับตนตามความประสงค์เท่านี้เอง เราก็อาจจะเรียกอันที่หนึ่งธรรมะว่าสัจธรรมที่จริงทางพระใช้ง่ายๆว่าธรรมดาแล้วก็สองก็คือที่เราเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมก็คือธรรมวัจริยาสมัยก่อนเรียกอย่างนั้นเราจริยธรรมนี่เพิ่งเกิดสัก30ปีนี้เองอันนี้อันนี้ก็เป็นหลักทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับเรามากหน่อยนั้นเหมือนอย่างการธรรมดาในทางรู ป, ปรธรรม เราต้องการจะปลูกต้นไม้เราก็ต้องรู้ความจริงของต้นไม้หรือธรรมดาของต้นไม้เนี่ยเอาต้นมาม่วงยกตัวอย่างบ่อยๆว่ามาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเนะเออมันมีเม็ดเป็นเหตุปัจจัยหรือมีกิ่งที่ตอนมาอแล้วก็มีปัจจัยอื่นมีเม็ดอย่างเดียวมีเหตุปัจจัยอย่างเหตุอย่างเดียวไม่เกิดไม่ได้ต้องมีปัจจัยพรั่งพร้อม ปัจจัยอะไรบ้างมีดินมีน้ํามีปุ๋ยมีโอชามีอุณหภูมิเหมาะสมเราก็ต้องจัดสรรเหตุปัจจัยให้พร้อมแล้วก็เจ้าต้นมะม่วงก็งอกขึ้นมาตามประสงค์นี่พอเรารู้ความจริงของต้นไม้นี่คือธรรมดาเข้ามาหรือธรรมด า, าต้นมะม่วงเราก็าปลูกต้นมะม่วงได้เราไม่ต้องไปเดินไปกินต้นมะม่วงไกลละปลูกต้นมะม่วงที่บ้านได้เลยจริยธรรมก็อย่างนี้เหมือนกันก็คือการเรียนรูคร้ความจริงของธรรมดาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ การที่จะสอนพุทธศาสนาให้ได้ผลจะต้องถึงขั้นนี้คือจะต้อง ม, มองเห็นพุทธศาสนาว่าคือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพร้อมทั้งข้อปฏิบัติที่มนุษย์จะต้องทําเพื่อให้เป็นไปถูกต้องตามธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นนีถ้ามองเห็นอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละธรรมะมันจะเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเลยนีย มันไงมันก็เป็นเพียงข้อมูลอะไรต่างๆอยู่เท่านั้นเองจำกันไปเ้ขอนั้นว่้อย่างเงี้ข้อนี้ว่าอย่างงี้ความแตกฉานมันเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือต้องให้เข้าใจหลักธรรมถึงขั้นที่รู้ว่ามันก็คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็การที่เราจะต้องรู้เข้าใจความจริงนี้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันจริงจะเกิดผลดีกับเราตามที่เราต้องการ หรือว่าเหมือนอย่างเราไม่รู้จักไฟเป็นอะไรเราก็อา จ, จะถูกไฟไหมและใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ไป็ได้แต่เรารู้ความจริงของไฟรู้ว่าไฟประเภทไหนใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนมีอุณหภูมิได้สูงแค่ไหนใช้เผาอะไรได้นะด้วยอุณหภูมิขนาดนี้เราต้องการงานนี้เราจะใช้ไฟขนาดไหนอุณหภูมิเท่าไรเนี่ยมันก็ได้จากความรู้หรือปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมชาตินี้ทั้งนั้นนี่ก็เรื่องธรรมะนี่ก็คืออันนี้นั่นเอง นะก็แปลว่ามีสองขั้นหนึ่งรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากความรู้ในความจริงนั้นนะเพื่อให้ชีวิตของเรานี่เป็นอยู่ได้ดีสังคมได้รับประโยชน์อันนี้เป็นข้อย้ำที่1เพื่อให้การสอนพุธศาสนาจริยธรรมอะไรต่างได้ผลข้อ2ก็คือการสร้างวิถีชีวิต ให้เป็นที่รองรับถ้าวิถีชีวิตมันไม่รองรับเนี่ยหลักข้อปฏิบัติต่างๆที่มันเป็นเพื่อเพื่อการสร้างสรรค์เพื่อความเจริญงอก ง, งามวิถีชีวิตนั้นมันไม่เป็นไปในทางที่จะเจริญงอก ง, งามมันไปทางตรงข้ามมันก็เข้ากันไม่ได้ฉะนั้นยังเป็นธรรมดาที่เราต้องสร้างวิถีชีวิตที่เรียกว่าวัฒนธรรม ถ้าเรามีวัฒนธรรมที่มันสอดคล้องมันเอือ้อมันก็จะเป็นช่องทางหรือเปิดโอกาสแล้วทำให้เกิดการเรียกร้องที่เราจะเอาธรรมะเหล่านั้นมาใช้มันจะเป็นไปเองวิถีชีวิตมันจะเรียกร้องเองแล้วมันจะเอื้อให้นำมาใช้ประโยชน์แล้วมันจะสอดคล้องมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรื่องวัฒนธรรมนี่ก็ก็คือเรื่องวินัยนั่นเองวินัยที่ปฏิบัติโดยไม่ต้องรู้ตัว คือทําไปจกนกระทั่งชินเป็นแบบแผนของสังคมนั้นเกิดมาพ่อแม่ก็ทําไงลูกก็ทำงั้นไม่รู้ตัวนี่เป็นวินยัยนะที่จริงคือวินยัยนั่นแหละวินัยแบบเนี้ ด, บบ ด, บบดีก็ให้เห็นว่ายังฝรั่งเนี้ยไปเดินเรียงเข้าแถวที่เขาเรียกว่าเข้าคิวเนี้ยไม่ต้องไปบังคับกันหรอกเพราะเขาเกิดมาตามพ่อตามแม่ตั้งแต่ตเด็กตัวเล็กๆตามพ่อแม่ไปไหนก็ต้องทําอย่างนั้น มาโตมามันก็เป็นอย่างนั้นไปเองวินัยก็เกิดขึ้นวัฒนธรรมวิถีชีวิตทีนี้วิถีชีวิตของเราวัฒนธรรมของเราก็ขอภัยเหมือนกับพังพินาศไปแล้วพังไอ้วินยัยวัฒนธรรมข้างนอกก็ไม่อยู่ในเนื้อในตัวมันรับกันไม่ได้เป็นของแปลกปลอมมันก็รับไม่ติดมันเป็นของบังคับไปของตัวก็ไม่มีเหลือของนอกก็รับไม่ได้เลยหมดเป็นคนเคว้งคว้างเลื่อนลอยไปที่นั้นก็ต้องพยายามสร้าง วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่จะรองรับพวกจริยธรรมนี้ขึ้นมาถ้าไม่งั้นมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันอย่างพระสงฆ์นี่บวชเข้ามาก็ต้องมีวินยัยพระสงฆ์มีวินัยแล้ววิถีชีวิตนี่อยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกันธรรมะต่างๆก็เข้ามาได้ถ้าไม่มีวิถีชีวิตอ น, นันมันก็มายากนอันนี้นก็เป็นข้อย้ำที่สองข้อย้ำที่สามก็คือการมอง พวกธรรมะจริยธรรมเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยต้องมองให้เห็นภาพรวมที่เป็นระบบไม่ใช่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่พูดว่าเป็นรายการสินค้าแล้วรายการสินค้ามีอันนั้นอันนั้นมันจะซื้อไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่ความต้องการทีนี้มันไม่มีความต้องการเราจะซื้อสินค้าไงก็ต้องสร้างความต้องการขึ้นมาความต้องการสินค้านั้นซึ่งมันโยงไปหาความมีระบบ ระบบแห่งความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายทีนี้หลักพุทธศาสนานั้นมันเป็นระบบที่บอกแล้วว่ามาจากความจริงของธรรมชาติเช่นระบบความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆระบบความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อสิ่งทั้งหลายมาเป็นระบบของมันมันต้องเห็นภาพรวมแห่งความสัมพันธ์นี้เช่นอย่างเห็นช้างทั้งตัวไม่ใช่เห็นเป็นชิ้นส่วนจับได้แต่หางจับได้แต่หู เสร็จแล้วก็เหมือนกับที่ในพุทธกาลที่พระพเจ้าเจ้ายกตัวอย่างมาว่าพระเจ้าแป่นดินองค์หนึ่งก็อยากสนุกก็ให้ราชบุรุษไปพาเอาคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดมาไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เอามารวมๆกันสักสิบยี่สิบคนแล้วก็เอาช้างมาให้จับ คนนึงก็จับขาคนนี้ก็จับหางคนน้นก็จับหูคนนึก็จับกระพองพอจับกันเสร็จเอาแล้วนะต่อไปนี้พอเลยนะได้จับกันพอใจทุกคนอย่างบอกพอแล้วเอาพอทีนี้จะถามแล้วเอาในคนนั้นช้างมันรูปร่างเป็นยังไงไอ้คนหนึ่งจับหูมันก็ว่าไปตามรูปร่างหูคนหนึ่งจับงวงมันก็ว่าไปตามรูปร่างงวงจับงาจับขาก็ว่าไปตามนั้น แล้วทีนี้พอว่าไปแล้วไอ้คนที่ว่าอย่างอื่นก็เถียงกันไอ้คนที่พูดไปก่อนบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเน่ยเถียงกันไปกันมาโอเออาเอตโลใหญ่พระราชาทรงพระส่วนชอบใจว่างั้นก็จบ <c oughs> ก็หมายความว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงไปมองเป็นชิ้นส่วนธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ันไม่เห็นช้างทั้งตัวนั่นจะต้องเห็นช้างทั้งตัวมองธรรมะต้องเป็นระบบนะถ้ายังไม่เห็นระบบ ยากที่จะมีความทราบซึ้งและที่จะนําไปใช้ได้ดั น, นั้นก็ต้องย้ำอันที่สก็แปลว่าหนึง่งมองเห็นเป็นธรรมดาความจริงตามธรรมชาติและข้อเรียกร้องจากธรรมชาติหรือธรรมดาจะกล่าวว่าคุณจะอยู่ให้ดีทำให้ได้ประโยชน์คุณจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นในสอดคล้องความจริงนั้นแล้วก็สองเรื่องของการสร้างวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแบบแผนวิ น, นัยที่มารองรับ ธรรมะหรือเอื้อเป็นช่องให้ธรรมะจะเข้ามาได้แล้วก็สามก็คือการมองเห็นระบบที่เป็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาหรือระบบของธรรมดาธรรมชาติที่ว่านั้นถ้าได้สามประการนี้แล้วก็ธรรมะจะมาเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็พูดอะไรก็ได้เพราะอะไรมันก็เป็นธรรมะเท่านั้นนะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธรรมะในโลกนี้ เอามก็ธรรมดาธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าอะไรมันก็อยู่ในธรรมบทมดเนี่ยขยะง่ายก็ง่ายๆสิ่งทั้งหลายเป็นรูปธรรมรูปนามธรรมนะแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นเหตุปัจจัยกันอย่างไรถ้าเราจะเอาอันนี้ไปรวมกันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะีมันก็เป็นเรื่องธรรมะเท่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆก็ขอผ่านไปทีนี้จะมีข้อย้ําอีกสักสองสข้ออันนี้อาจจะเป็นข้อที่ ฝากว่าเวลานี้สถาบันที่สําคัญที่ร่วมมือกับครูเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งทางพุทธศาสนาให้ความสําสคัญมากกับพื้นฐานก็คือครอบครัวเพราะว่าทุกท่านก็จําได้ว่าทางพุทธศาสนาบอกว่าพระมาติมาตาปิตโรมดดาบิดาเป็นพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างลูกสร้างลูกให้ไปสร้างโลกเนี แต่ที่จริงความหมายมันลึกซึ้งกว่า น, นั้นก็คือทุกคนมีหน้าที่ที่จะไม่ต้องรอพระพรหมเทพเจ้ามาสร้างโลกเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าพรหมวิหารก็เป็นพรหมเท่านั้นเป็นพรหมก็คือเป็นผู้มีความสามารถที่จะสร้างสานารณสิบธิสังคมในโลกนี้ให้อยู่ได้ดีอันนี้ครอบครัวพ่อแม่ก็เป็นหลักสาคัญ แล้ว็ท่านก็บอกว่าอุพาจริยาติวุฒจเรพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์เป็นครูต้นคือครูคนแรกอันนี้ถ้าครูต้นไม่ทำหน้าที่มาถึงครูที่สองนี่ลำบากนะบางทีก็อย่างที่เขาพูดว่าสายเสยแล้วแต่ว่าจะสายไม่สายถ้าเขาไม่ทำมาให้ดีเราก็ต้องสู้แหละครูก็ต้องเข้มแข็งสู้เต็มที่แล้วเวลานี้ ก็มีท่านอาจารย์ที่บ่นว่าหวังจะครอบครัวไม่ได้พ่อแม่นี่ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ไหวครูทำงานหนักแต่พร้อมกันนั้นครูก็จะต้องไม่ลืมว่าจะให้ได้ผลดีระยะยาวต้องให้พ่อแม่ร่วมมืองานการทำงานของครูคิดว่าจะต้องไม่ลืมว่าจะต้องหาทางประสานกับพ่อแม่ให้ได้แล้วครูจะต้องไปกระตุ้นพ่อแม่ให้ทำหน้าที่ของตัวหน้าที่หลักที่มีต่อลูกก็คือการ ให้การศึกษาเบื้องต้นที่แท้จริงการศึกษาในการกินอยูนะ่การศึกษาที่เป็นชีวิตของมนุษย์คือการทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ได้วยดีการศึกษาไม่ใช่เรื่องไหายมากก็คือการที่ทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ ด, ดีเมื่อเราอยู่เรามีชีวิตอยู่เราก็เจอโน่นเจอนี่ต้องทำโน่นทานี่พบคนโน้นคนนี้พบคนเก่าก็พบในสถานการณ์ใหม่ทุกทีไป เวลาเราพบอะไรในสถานการณ์ใหม่เจอสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องการที่เราพยายามหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องให้ได้ผลดีนี่เรียกว่าการศึกษานมันก็เท่านี้เองไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่มันเรื่องใหญ่ที่สุดเลยการศึกาคือการทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีเมื่อทายชีวิตจะเป็นอยู่ดีดก็ต้องหาความรู้ต้องพยายามคิด เออไอนี่มันมาอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงก็ต้องคิดนี่คนที่ไม่คิดไม่หาทางทํามันก็ทําอะไรไม่ได้ผลใช่ไหมมันก็ไม่มีการศึกษาคนที่มีการศึกษาเก็พยายามปฏิบัติต่อประสบการณ์สถานการณ์ทุกอย่างให้ได้ผลดีก็ทานี้เองก็การศึกษาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะใครทําให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีก็คนนั้นก็มีการศึกษาจะเรียนไปเท่าไหร่ก็ทําชีวิตให้เป็นอยู่ดีมาได้มันก็ไม่มีการศึกษาเพราะว่า การศึกษามันเป็นภาระของชีวิตชีวิตก็จะเป็นอยู่ได้ก็ด้วยศึกษาก็คือหาทางรู้หาทางเข้าใจเรียนรู้แล้วก็พยายามให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีๆชีวิตก็คู่กับการศึกษาเพราะนั่นในทางพุทธศาสนานเนี่ยไม่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเรียกว่าการศึกษาคือชีวิตหรือชีวิตคือการศึกษาเพราะว่าชีวิตแต่ว่าต้องบ่งเล็บว่าชีวิตบงเล็บที่ดีนะ เป็นการศึกษานะก็เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะอนนี้เราก็พยายามให้เด็กเนี่ยเป็นอยู่ดยดีมันก็ตั้งแต่พ่อแม่ดูฟังใช้ตาหูจมูกลิ้นดูเพื่ออะไรกินเพื่ออะไรนะกินอาหารเครื่องหนุ่งรมอะไรต้องถามว่าเออไ อ, อ้ที่กินอาหารนี่กินเพื่ออะไรนะว่าตุประสงค์ที่แท้คุณค่าที่แท้ของอาหารอยู่ที่ไหน จะใช้วัตถุปัจจัยสิ่งของเทคโนโลยีต้องถามเท่านั้นว่าไอ้นี่คุณค่าที่แท้ จ, จริงเขามันคืออะไรนะีแล้วจะเกิดความมั่นใจทางปัญญาความมั่นใจทางปัญญาเป็นความมั่นใจที่แน่นอนที่สุดไม่ใช่ความมั่นใจตามค่านิยมโก้โเก๋ไปตามเขาถ้าเด็กมีความมั่นใจทางปัญญาอยู่ได้เพราะว่าเอ๊ะกินนี่เพื่ออะไรโอชัดเจนมันแน่นอนถูกต้องเลยกินเพื่อ หลอดยังร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้แล้วก็ร่างกายเป็นอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะเดินนาชีวิตร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์ทําอะไรก็ได้นะแต่อีกส่วนกินเพื่ออร่อยตามค่านิยมนั้นเป็นเรื่องที่เปล่าเปล่าปลีไม่ใช่ของแน่นอนอะไรเ อ, อ้เราต้องรู้ทันรู้ทันแล้วเราก็เออเขานิยมกันอย่างนี้เราปฏิบัติให้ถูกแต่ว่าเราจะไปหลงน ะ, นะเราต้องจับให้ได้เลยหลักคือกินเพื่อ ชีวิตเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายอะไรแต่อะไรเนี่ยอ่าอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือการศึกษามันอยู่ที่การดำเนินชีวิตนั่นเองดำเนินชีวิตให้ได้ดีพอดำเนินชีวิตได้ดีการศึกษามก็กลายเป็นมักใช่ไหมมักประการทางชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ดีเรียกมักเกิดขึ้นจากศึกขาคือการศึกษาเมื่อคุณมีการศึกษาคุณก็มีมัก เพาะฉะนั้นมรรคก็ตรงกับสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันก็คือฝึกอะไรสิกขาเรียนรู้ฝึกฝึกอะไรฝึกพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเมื่อฝึกพฤติกรรมจิตใจปัญญาไอ้เจ้าสามอันนี้เป็นสามด้านของชีวิตคุณชีวิตคุณก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีมีการดําเนินชีวิตที่ดีก็เป็นมรรคก็เท่านั้นเองนี่ยนี่ศีลสมาธิปัญญามันกว้างกว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญาตรงที่ว่า ศีลน่ยมันคลุมมาถึงการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมดติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเราติดต่อสัมพันธ์ด้วยอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมใช่ไหมแต่ทางพระท่านถือว่าเป็นศีลถ้าเราดูเป็นฟังเป็นรู้วัตถุประสงค์ในการดูว่าดูเพื่ออะไระแล้วดูได้คุณได้โทษได้ความรู้ไหมได้ประโยชน์อะไรไหมหรือได้แต่ความรู้หลวงมัวเมา เสียสูญเสียเงินเสียทองอะไรปรเปล่าๆอย่างนี้การศึกษาก็เริ่มต้นทันทีก็คือการำดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาของพระไม่มีอะไรมากเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นที่หนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจสองเริ่มต้นในการกินอยู่นะีกินอยู่บริโภคกินเป็นบริโภคเป็นใช้ของเป็นเท่านั้นเองนะีแล้วการศึกษาก็เดินหน้าไปแต่อีกตรงนี้แหละที่มันจุดสําคัญที่สุดเลยนะีแล้วนี่มันนี่คือธรรมะข้อใหญ่ๆ เรื่องต้นเธอก็เรียกใช้อินทรีย์เป็นอินทรีย์สมกษ์สีสีมาแล้วถ้าคุณดูไม่เป็นฟังไม่เป็นคุณก็ไม่มีศีนะคุณกินเป็นไหมกินเพื่ออะไรถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจการกินไม่ได้กินได้ปัญญาก็ไม่รู้จักประมาณในการกินกินพอดีไม่ได้เพราะว่าคนที่มากินตามอร่อยนี่มันกินพอดีไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้ากินได้ปัญญามารู้ทันทีว่าจะกินแค่ไหนและจะกินอะไรน นั้นมันเป็นไปเองการศึกษากท่านก็ถือว่าเริ่มในชีวิตประจําวันการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจการกินการอยู่อะไรพวกนีน้และการอยู่ร่วมสังคมการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แล้วการสัมพันธ์กับโลกภาย น, นอกมีสัมพันธ์ได้วยอะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งสงสัมพันธ์ด้วยการกระทําทางกายวาจาและก็สัมพันธ์กับสิ่งไวดลอมทางวัตถุทางกายภาพอย่างหนึ่ง สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งก็เทานี้เองพอสัมพันธ์ถูกต้องสิ่งก็เกิดขึ้นปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุอาหารอะไรอะไรก็ไม่เป็นก็สิ่ก็ไม่มีปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นพูดไม่เป็นทําอะไรต่วอะไรเป็นการเบียดเบียนไม่เกื้อกูลกันก็สิ่งก็ไม่มีสิ่งก็เป็นเรื่องการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องเป็นการเกื้อกูลทําให้อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็พัฒนาชีวิตของตัวเองไปเรื่อย คามสามารถทางจิตใจก็ เ, เกิดขึ้นคุณธรรมก็เกิดขึ้นปัญญาวความรู้เข้อใจก็เกิดขึ้นปกิจเป็นความรู้ปัญญาก็มาเองมันไปได้วยกันหมดกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการบูรณาการนะมันเป็นองค์รวมมันไปไปนในตัวธรรมชาติไม่ต้องไปเรียกร้องนะถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันมาเองหมดครบ3ามอย่างนะบูรณาการอะแต่อะไรเป็นเรื่องเก่าแก่เพิ่งจะมาพูดกันนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อาตมาก็ขอย้ำว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ในบ้านพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่เอาใจใส่ทีนี้ก็แต่ที่ความสัมพันธ์ที่สําคัญก็คือพ่อแม่กับลูกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะไปสอนให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพวัตถุสิ่งของตาดููฟังทีวีอะไรหรือว่าอาหารการกินเชื่อภาพเป็นต้นเท่านั้นแต่สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันด้วยสัมพันธ์ได้เมตตากรุณาพุทธิตาอุเบกขาตอนนี้สัมพันธ์ได้พรหมวิหาร ถ้าหากว่ารู้จักใช้พรหมวิหารพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตาและยังมีอุเบกขากำกับไว้ด้วยไม่ให้มันพลาดมันก็เด็กก็จะเริ่เติบโตพร้อมบริบูรณ์ทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านความรู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอันนั้นก็ต้องเน้นว่าครูต้องไปปลุกให้พ่อแม่ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ ให้ย้ำไปอันหนึ่งคือย้ำเรื่อพระคุณแม่เราถือกันมาแต่โบราณเราคือว่าพระคุณพ่อแม่เนี่ยเราถือกันมาแต่โบราณว่าคุ้มครองลูกคุ้มครองยังไงอ่ะก็คุ้มครองเพราะความทราบซึ้งในใจรักพ่อรักแม่ก็ทราบซึ้งในพระคุณนั่นแหละความทราบซึ้งนี่มันลงลึกเกินที่จะพูดแล้วมันไม่ต้องอธิบายอธิบายก็ไม่ได้เดี๋ยวนะใช่ไหม นพูดไม่รู้พูดไม่ถูกไปไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดหาเหตุผลก่เลยอาตมายกตัวอย่างบอกว่าพระคุณแม่เนี่ยถ้าทราบซึ้งจริงๆนะมีความรักกันแต่อ่อนต่ออกเนี่ยมันทำลายความรู้สึกไม่ดีต่างๆไปหมดอย่างเราไปป่ายกตัวอย่างวันแล้วบอกว่า ได้ยินคนตะโกนว่าเสือนี่มันไม่ต้องไปคิดว่าเสือรูปร่างเป็นยังไงมันจะทําอะไรเรามันเป็นอันตรายยังไงไม่ต้องไปเสียเวลาคิดพอได้ยินว่าเสือท่านนั้ข่าอ่อนหรือมาไงก็วิ่งสุดขีดเลยใช่ไหมมันเป็นไปอย่างนี้ไอ้นี่พระคุณของพ่อแม่เรื่องของจิตใจมนุษย์เนี่ยที่มันฝึกกันจริงๆเนี่ยมันลงตัวอย่างนี้มันลงไปถึงขั้นที่มันเลยเหตุผลพอพูดว่าพระคุณแม่เนี่ยน้ำตาไหลเลยใช่ไหมแน่ ถ้ามาทราบซึ้งจริงๆเนี่ยจะไปทําอะไรร้ายหนึ่งนึกถึงพ่อแม่ยกตัวอย่างบอกว่ายกมีดคือมาจะทําร้ายคนอื่นพอได้ยินคําว่าแม่ในมืออ่อนมีดจุดมือเลยนี่ถ้าว่าคุณแม่ฝังลึกจริงๆนะต้องถึงขนาดนี้อันนี้คือว่าคุณแม่ตาเป็นคุ้มครอง หรือไปเห็นอะไรนึกถึงแม่โอ้ท่านรู้แม่รู้นี่แม่จะเสียใจขนาดไหนใช่ไหมอย่างงี้แหะไม่ต้องห่วงหรอกพระคุณแม่ตามไปสังคมนี้อยู่ได้แต่เวลานี้มันไม่มีแล้วเนีเพราะฉะนั้นจะต้องรีบสร้างอันนี้ขึ้นมาเมืงอไงสังคมนี้ไปไม่รอดเนีพระคุณพ่อพระคุณแม่ให้ทราบซึ้งให้ได้เนี่ด้ความใกล้ชิดกันแล้วมันจะทําลายความรู้สึกทางเพศด้วยเวลาไปในความรู้สึกที่ปลูกฝังกันทางครอบครัวอย่างดีแต่ลึกซึ้งเนี่ย มันนึกถึงแม่เนี่ยมันทําลายขอบเขตของได้ความรู้สึกทางเพศแล้วมันอย่างน้อยมันมาดุลไปเห็นผู้หญิงอายุมากก็นึกเป็นแม่นึกถึงแม่นึกคล้ายแม่อะไรทํานองนี้ตามที่วัฒนธรรมไทยเราปลูกฝังกันมาว่าให้นึกถึงเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่และความรู้สึกมันมาอย่างความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องมันก็สืบเนื่องมาจากพ่อแม่พอไปเห็นขึ้นมาเนี่ยมาไปนึก ถึงแบบพี่น้องมาดูลกับไอ้ความรู้สึกทางเพศมันก็อยู่ได้สังคมเวลานี้มันหมดความรู้สึกทราบซึ้งพระคุณพ่อแม่ความรู้สึกต่อหญิงชายแบบพี่น้องมันหมดทราะนั้นมันก็มีแต่ความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่มีอะไรดูลไม่มีอะไรช่วยสังคมนี้ก็พังทลายเท่านั้นเอง น, นั่นจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้พระคุณแม่เนี่ยเป็นฐานสาคัญที่สุดที่จะให้เรา รักษาการศึกษารักษาจริยธรรมไว้ได้เป็นด่านสุดท้ายนะีถ้าทําขึ้นมาได้แล้วก็สังคมปลอดภัยไปเยอะเลยนะีมันพูดอะไรขึ้นมามันก็ทราบซึ้งมันก็ทําให้ยั้งจากความชั่วร้ายนะีมันก็ทําให้ดึงไปสู่ความดีงามอะไร ต, รต่างๆได้ไง่ายคณะนะกรรมนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เลยโยงไปหาหลักธรรมเรื่องพรหมวิหารก็ต้องขอฝากไปว่า ต้องเข้าใจอย่างน้อยหลักธรรมตอบแบนี้ให้ถูกต้องหนึ่งรมวิหารสี่คนไทยเข้าใจเมตตากรุณามุติตาพอไปได้แต่พระอุเบกขานี่ผิดพลาดอย่างมหันาลเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าอุเบกขาคืออะไรนึกว่าเฉยแล้วก็เฉยโง่นีทางพระท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาว่า เ, าเฉยโง่คือเฉยไม่รู้เรื่องเฉยไม่เอาเรื่อง เฉยเมยเฉยเมิอนมอะไรพวกนี้ฉนเฉยอุเบกขามันเฉยด้วยรู้นะไอตัวอุเบกขาเนี่ยมากับปัญญาไอเจ้าเมตตากรุณาบุติตาเนี่ยมันมากับความรู้สึกแต่มันเป็นความรู้สึกหรือเขาเรียวกว่าอิโมชันฝ่ายบวกหรือฝ่ายสร้างสรรค์นี่เราพัฒนาเมตตากรุณามุติตาเนี่ยเราพัฒนาด้านความรู้สึกด้านอิโมชันต้องการให้เป็นอีโมชันที่ดี แบบเดียวนี้ก็เข้ากับไอเทียเรียกว่า EQ แล้นะแต่มันไม่พอหรอกให้ตัวอารมณ์เนี่ยมันต้องมีปัญญากำกับเนี่ยทีนี้ไอตัวอุเบกขาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมกับปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญามีอุเบกขาที่ถูกต้องไม่ได้ถ้าเรียกว่ามีอัญญานุเบกขาว่าเฉยโง่เป็นอกุศลอันนี้ไอเฉยได้ปัญญาก็รู้ก็คือคนที่ใจ เข้าสู่ภาวะสมดุลที่สุดเพราะรู้ชัดท่านยกตัวอย่างเช่นคนขับรถสารถีเชี่ยวชานเนร่ะพอขับรถออกรถทำให้รถเดินเข้าทางได้ความเร็วพอและแกก็นั่งสบายใจเชิมเลยใจแกนิ่งเลยสบายแต่ว่าไวรู้มีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยแก้ได้ทันที แต่อีกคนหนึ่งไม่รู้ไม่ชำนาญในการขับในใจกระวนกระวายใจกังวลเป็นห่วงใช่ไหมไม่มีความสบายใจเลยเนี่ยขับรถไปแล้วคนพวกนี้ทำได้ดีไหมไอ้พวกไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะขับรถไปเพราะไม่มีความรู้จริงไม่ชำนาญอุเบกขาก็คือการที่มีปัญญารู้ถึงขั้นที่ใจมันลงตัวเลยใจลงตัวได้อยู่ตัว เข้าสมดุลเต็มที่เรียกว่าเป็นสารถีที่เชี่ยวชาญอย่างคนที่เป็นพราอหัน์ก็คือคนที่เข้าใจวิถีชีวิตอย่างดีและ ว, วางใจต่อชีวิตได้ถูกต้องหมดนี่อย่างการลูกหรือารเหมือนกายก็ต้องมีอุเบกขามีปัญญารู้ไอ้อุเบกขา t h i คือรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความดีงามอะไรเป็นหลักอะไรเป็นกติกาอะไรเป็นกฎก เ, นเกณฑ์อย่างน้อยรู้เหตุรู้ผล แล้วมันก็จะมาเป็นตัวรักษาดุลให้ทุกอย่างลงตัวอยู่ในความถูกต้องให้เจ้าอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญถ้าเด็กได้รับการเลี้ยดูมีจมีเมตตากรุณามุญทีตานะดีมีความรักขาวบบอุ่นแต่จะเป็นเด็กที่อ่อนแอถ้าเมตตากรุณามากไปก็เป็นเด็กเรียกร้องแล้วก็เป็นเด็กที่พึ่งพาพึ่งตนเองไม่ได้ทีนี้ต้องมีอุเบกขาเข้ามาถ้าอุเบกขามากเกินไปก็ เป็นคนอาจจะเสียหรือมันก็เข้มแข็งไปเลยเข้มแข็งเพราะว่าไม่ได้รับการแนวจิตใจมันก็สู้จนที่มกันนะแต่ว่าจะเป็นคนแข็งกระด้างเหี่ยมเกรียมนะฉะนั้นก็มีอเบกขามาทําให้มันอยู่ในหลักการนะฉะนั้นสังคมที่มีเบกขานี่จะรักษากฎเกณฑ์กติกายอยู่จะไอเจ้าเบกขาก็มาคุมไอเจ้าสามตัวแรกเมตตากรุณาบุญทิตาจะช่วยเหลือกันไปนะ เกินขอบเขตเกินกฎเกณฑ์กติกาหลักการไม่ได้ถ้าเกิดพระเจ้าอุเบกขาหยุดทันทีเลยนะเป็นตัวรักษาสมดุลทน้นคนไทยไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องอุเบกขาขอภัยนะที่พูดอย่างงี้นีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอัญญาวอุเบกขาเปนเฉยงโง่ไปหมดนนายก็หนึ่งต้องฝากว่าต้องเข้าใจพรหมวิหารนี่ชัดเจนอันนี้เป็นหลักธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งสองก็ฝากไปเรื่องสันโดษแล้วไม่สันโดษ ถ้าถามว่าพุทธศาสนาสอนให้สันโดษใช่หรือไม่ใครตอบว่าใช่ก็ผิดใครตอบไม่ใช่ก็ผิดเอา้าทําไมจึงว่าอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าสอนไว้สองอย่างหนึ่งความสันโดษในวัตถุเสบบริโภคสองความไม่สันโดษในกุศลธรรม yeah. แล้วที่ให้สันโดษในวัตถุก็เพื่อจะได้ไม่สันโดษในกุศลธรรมได้ พ่อมัวไม่สันโดษในวัตถุสิ่งวบนเปลือก็มัหาสิ่งบนเปลอเป็นอันว่าเวลารายงานความคิดหมดไปนะการงานกิจการการสร้างสรรค์ไม่มีเวลาทาไม่มีความคิดจะทำนั้นถะ้าจึงให้สันโดษในวัตถุเสพหาความสุขได้จากวัตถุที่มีพอสมควรเสร็จแล้วเอาเวลารายงานและความคิดนั้นไปทุ่มให้แกหน้าที่การงานกิจการสิ่งที่ดีงามการสร้างสรรค์ที่เรีเรยกว่ากุศลธรรม อันนี้ท่านไม่ให้สันโดษเลยพุรธเจ้าตัดว่าเราเห็นชัดมาแล้วกับตนเองถึงคุณค่าของธรรมสองประการคือหนึ่งความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่สันโดษพูดได้เต็มที่นะนะและพระองค์ก็ตรัดว่าที่สันโ ด, ดที่ตรัสรู้ได้เพราะไม่สันโดษนะแต่ว่าต้องสันโดษและไม่สันโดษให้ถูกต้อง แล้วต้องตอบได้ว่าสันโดษในอะไรไม่สันโดษในอะไรนั่นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ชัดอ้าวสองละฝากไปนะั่นเลยเพอให้ไปคิดไปอภิปรายถกกันก็นแหลสามเรื่องอย่าเอาความปล่อยวางมาอ้างเพื่อจะปล่อยปละละเลย น, นี้บางทีคนไทยเนี่ยเอาความปล่อยวางมาอ้างความปล่อยวางปล่อยปละละละเลยนั่นคือความประมาท พระเจ้าตรัสเตือนเป็นักหนาว่าไม่ให้ประมาทถ้าประมาทนี้ผิดพระพุทธศาสนาทันทีนั้นอย่าเอาความปล่อยวางมาอ้างไม่ได้จะปล่อยปละละเลยนะเนะี่ยตอนนี้ต้องให้แม่นเด็ดขาดความปล่อยวางนะัเป็นเรื่องของจิตใจที่จะเป็นอิสระไม่ติดต่อสิ่งทั้งหลายแต่พร้อมกันในแง่การกระทากิจปล่อยปละละเลยไม่ได้นะีต้องทํานะี มีสติตลอดเวลาเตือนตัวเองว่ามีอะไรจะต้องทำมีอะไรจะต้องเว้นนะ่ยจะต้องไม่หยุดนิ่งก้าวหน้าอยู่เสมอเนะี่ยพระเจ้าตรัสบอกว่าเราไม่สลดเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมเราสลดเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายเนะีนะ่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ จะต้องแม่นยำชัดเจนนะโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อเพียงว่าไปสอนเด็กแต่เพื่อครูเองอาจารย์เองจะต้องเข้าใจชัดไม่ให้ผิดพลาดนะก็อย่าเอาความปล่อยวางเป็นข้ออ้างเพื่อจะปล่อยประละเลยนะอ่านแล้วยกตัวอย่างอ่านเช่นเรื่องอั น, นิจจังที่ว่าไม่เที่ยงอนะเพื่ออะไรอั น, นิจจังคือเป็นหลักความจริง เราพูดกันแล้วว่าธรรมะน่ะอย่างง่ายๆที่จริงมันมีอย่างหลัก4ี่ความหมายแล้วเอาแค่สองความหมาย2ความหมายที่พูดไปแล้วหนึ่งความจริงของธรรมดาที่มีอยู่ตามธรรมดากสิ่งทั้งหลายสองข้อที่เราจะต้องทําเพื่อให้สอดคล้องกับไอ้ความจริงนั้นจะได้เป็นประโยชน์ได้เป็นผลดีแก่เราอันเนี้ยธรรมะมันมี2อย่างทีงนี้ธรรมะอย่างเรื่องอนิจจังเรื่องไตรลักษณ์นี่เป็นธรรมะประเภทไหนก็เป็นประเภทที่หนึ่คือประเภทที่ว่า ความจริงตามธรรมดาเข้ามันอย่างนั้นอา น, นิจจังสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมดาเข้ามันอย่างนั้นทีนี้จากความจริงอันเนี้ยเหมือนกับไฟร้อนเนี่ยแล้วเราจะต้องทําไงจึงจะเกิดผลดีต่อเราหลักอา น, นิจจังนี่ในแง่เข้าปฏิบัติมันเรียกร้องอะไรจากเราต้องตอบได้นีอันนี้เป็นตัวอย่างเทนนนธรรมะอื่นเหมือนกัน ต้องแยกได้ทันทีเวลาใครพูดมาธรรมะที่เป็นหลักความจริงหรือธรรมะภาคปฏิบัติภาคที่เราจะต้องทําเพื่อให้สอดคล้องความจริงนั้นจะได้เกิดผลดีกับชีวิตของเราอันนี้อันนี้จางทุกขังนัตตาตรายรักนี้เป็นหลักประเภทพูดถึงความจริงที่มีตามธรรมดานี่เมื่อความจริงมันมีอสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วเราจะต้องทําไงนะีอันนี้เราต้องตอบให้ได้นะเหลอ ขั้นตอนที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดคือเมื่อมันเป็นอนิจจังเราต้องไม่ประมาทใช่ไหมพุทธพจน์เมื่อปรินิพานปฏิมวาจาวยธรรมมาสังขาราปรมาเทนสัมปาเิตทะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่คือบอกอนิจจังนแล้วก็วงเล็บเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงทากิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้นแน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปชีวิตของคุณก็ไม่แน่แ น, นอนมันเปลี่ยนแปลงไปอฉะนั้นมีอะไรจะทำควรทำต้องรีบทำจะประมาทไม่ได้นี่คือหลักการพื้นฐานสำหรับเรื่องข้อนิจจงข้อปฏิบัติเรียกร้องทันทีว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นอ น, น, นิจจงเราต้องไม่ประมาทแต่มันไม่จบเท่านั้นอะไรอีก สิ่งทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างลื่นรอยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ศึกษาเหตุปัจจัยขึ้นมาแล้วทําให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยองค์ น, นี้สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกเ น, นี่ยเราไม่ได้พิจารณาอะไรในเรื่องเหล่านี้เลยเพราะ อ, อนนี้จ้างมาเอาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ตาไปเพราะฉะนั้นมันจเจริญแล้วมันก็นเสื่อมก็ต้องปล่อยมันไปอันนี้ก็คือความประมาท ชัดๆเลยถ้าแมได้บอกว่า ม, มันเปลี่ยนแปลงไปเลื่อนลอยอยู่ๆมันเปลี่ยนเมื่ไรมันมีเหตุปัจจัยเพราะนั้คุณต้องศึกษาเหตุปัจจัยแล้วถ้าคุณต้องการความเจริญคุณต้องศึกษาเหตุปัจจัยความเสื่อมแล้วกําจัดป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยความเสื่อมแล้วศึกษาเหตุปัจจัยที่จะทําให้เจริญและสร้างสารเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเงี้ย พระนุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าคุณปฏิบัติธรรมเช่นอย่างนี้จะไม่มีทางเสื่อมอ้าไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้จ้งงงงางสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเราก็บอกเออสิ่งทั้งหลายเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมเออพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วไม่มีเสื่อมพระพุทธเจ้าจัดขัดกันดิเปล่าไม่ได้ขัดกันเลยนี่อาตมาฝากไปให้ไปคิดว่าที่พระพุทธเจา้าสรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง กับที่พระเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อปฏิบัติทําอย่างนี้แล้วจะมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมเนี่ยขัดกันไหมให้ไปคิดให้ตีให้ออกแล้วอธิบายให้ชัดด้วยถ้าอธิบายไม่ชัดจบตกตกัน <c oughs> <c oughs> นี่ต้ออธิบายให้ได้ว่ามันหนุนกันเลยสองอันเนี่ยนี่อลืเ ร, อเรื่องนะนิจจังนะเลยนพลแล้วก็อนิจจังอีกอันคือคุณค่าทางความรู้ทางปัญญาที่ทําให้จิตวางเกิดสมดุล หมายความว่าทําให้ไม่ไปตกเป็นาธาตเป็นบีร่างของสิ่งทั้งหลายใช่ไหมสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทานันไม่มีปัญญาจิตของเราก็เข้าไปถูกมันกดบีบเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่พอเรารู้ท่ันอนิจจังปั๊บจิตเราก็วางตัวลงเป็นอิสระได้นะไม่เป็นาธาตของความเปลี่ยนแปลงจิตก็เป็นอิสระแบบนี้ก็คือความรู้เท่าทานันนี่คนไทยเนี่ยมักจะเอามาใช้ในแง่นี้แล้วรู้ไม่ตลอด เขบอกอันนี้จังเออสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ปลงจบเลยไม่ต้องทําอะไรก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยวางกลายเป็นความปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยก็เป็นความประมาทจบก็เสื่อมนีประมาโทมโอมัจจุโนประทางตายเลยน <laughs> ีนั้นก็ไปไม่รอดนีถ้าปฏิบัติธรรมมันครึ่ ง, ง ก, กลางๆงี้ไปไม่รอดอาอีกฝากอีกอักอกอนหนึ่งนีนเวลาเกินบรแล้วนี่ ถามว่าอัตายอตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเป็นหลักความจริงหรือเป็นหลักปฏิบัติอาถามนี่หลักความจริงหรือหลักปฏิบัติให้เถียง ก, กันไปเ <N ee> นี่ยแค่นี้ก็ขัดกันแล้วใช่ไหมเลยพ่อนี่ยพระพุทธเจ้าจรัสไว้สองชั้นไม่ได้จัดจบแค่นี้เนีตอนเป็นที่พึ่งของตนแล้วต่อไปก็ มีตนที่ฝึกเด่นแล้วจะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งของตอนนี่มันเป็นความจริงตามธรรมดาด้วยแล้วทำตนให้เป็นที่พึ่งได้นี่เป็นข้อปฏิบัติแล้วสำคัญมากเราไม่ได้เน้นกันเลยเรื่องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเมื่อทาตนให้เป็นที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกตัวต้องพัฒนานี่แหละคือสิกขาการศึกษามาแล้วพัฒนาคน บอกว่าตอนเป็นที่พึ่งของตอนแล้วบอกให้พึ่งต น, นตัวเองมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีความสามารถแล้วมันจะพึ่งอย่างไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราสรับสนพระเจ้เจ้าเน้นที่ว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นครูอาจารย์ต้องไปเน้นข้อนี้ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็อาตมาพูดมาเกินเวลาแล้วแน่เลยพอนก็ พูดไปแบบกันเองก็แล้วกันนะสบายๆอันเนี้ยเป็นหลักที่ฝากไว้เพราะว่าท่านผู้บริหารครัวอาจารย์จะต้องชัดก่อนธรรมะเหล่านี้แล้วถ้าไม่พลาดเลยนะแล้วพอเข้าใจธรรมะเหล่านี้ชัดมันจะโยงกันเองระบบความสัมพันธ์มันมีบอกแล้วว่าพุทธศาสนานั้นสอนความจริงตามธรรมดาความจริงตาธรรมดามันคือระบบความสัมพันธ์แห่งสิ่งทั้งหลาย เช่นไปเป็นตามเหตุปัจจัยเป็นต้นธรรมะมันก็เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุปัจจัยกันการได้ธรรมะข้อนี้มันเป็นองค์ประกอบอยู่ในระบบความสัมพันธ์อันนี้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยกันอันนั้นนําไปสู่จุดหมายอย่างนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไรเอื้อกันอย่างไรต้องมองให้ได้ขนาดนี้จนกระทั่งว่าจุดหมายแต่ละอย่างไปเกื้อหนุนกันสัมพันธ์กันอันนี้ส่งผลรวมไปสู่จุดหมายรวมอย่างไรนะอย่างนี้เราก็ไปได้นะ ก็เอาละเลยพอจะมาพูดมาเลยเวลาแลนะเนีก็ข อ, อนโมธนาท่านผู้บริหารครูอาจารย์ทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านมีจิตใจเข้มแข็งในสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเป็นอย่างนี้เนะีเราอาจจะท้อแท้แต่จะไปท้อแท้ไม่ได้ครูอาจารย์ผู้บริหารเป็นผู้นําจะต้องเป็นแบบอย่างแม้แต่ในการเป็นผู้เข้มแข็งด้วยนะีก็เมื่อความเข้มแข็งทางปัญญาเกิดแล้วจะเกิดความมั่นใจเข้มแข็งทางจิตใจด้วย เราออกมาทางพฤติกรรมที่เข้มแข็งก็จะเป็นผู้นำให้สังคมนี้เดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีงามเป็นการสร้างสรรนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงจะสำเร็จงานจะบระรลุผลในสังคมที่เป็นอย่างนี้เราจะต้องมีความมุ่งมั่นทำกันอย่างจริงจังอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านมีปณิธานเด็ดเดี่ยวทาแล้วต้องทาให้สาเร็จมุ่งมั่นอุทิศตนเลยอย่างนั้นแล้วก็มีหวัง ถ้าหากว่าสังคมมันไม่ดีนี่ก็คือสภาพที่เราจะต้องกู้ให้ฟื้นขึ้นมาให้ได้แล้วไม่เริ่มเมือ น, นี้จะเริ่มเมืไรใช่ไหมฉะ น, นั้นก็ขอให้ทุกท่านนี่เข้มแข็งตั้งใจจริงจังแล้วความสําเร็จก็จะตามมาขออนุโมทนาทุกท่านแต่ขอร่วมส่งเสริมกำลังใจโดยคุณพระรันทร์ใจซึ่งเป็นหลักการที่ถ้าเข้าใจจริงแล้ว จะทำให้เราเกิดความซาบซึ้งและมีความมั่นใจในการทํางานอย่างยิ่งให้เป็นปัจจัยพิบัตรรักษาให้ทุกท่านจเจริล ง, งอกงามด้วยเจตุรพิทธพ ร, ธรธชัยมีกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาและกําลังความสามัคคีที่จะดําเนินชีวิตและกิ จ, จการงานให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายอย่างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและกับชาวโลกทั้งปวง ทุกเมื่อตลอดการย่่งยืนนานเทิน